เรามาฝึกทำสมาธิกันวันนี้ตัมบูฟังในช่วงของใต้ร่มบริบทก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อเรื่องของอาการาวัตติศตาเรามาทำ ม, มาปฏิบัตินำธรรมะให้เข้าสู่จิตใจของเราด้วยการทำจิตให้มีความสงบจะทำจิตให้สงบได้ก็นึกถึงลมหายใจตัมบูฟังวันนี้อยากให้ตัมบูฟังได้ฝึกหายใจแบบใหม่ ถึงการหายใจเข้าลึกๆไปเลยตามลมเข้าไปเลยตามลมจากลมหายใจจากภายนอกผ่านปลายจมูกโปร่งจมูกเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องให้มันเต็มที่เลยหายใจเข้าตามลมไปเลยต่อไปหายใจออกอีกเอาลมทั้งหมดที่อยู่ในตัวนี่ออกมาจากกระบังลมจากท้องบานปอด ผ่านคอหอยผ่านปรงจมูกจนออกไปถึงข้างนอกนี่หายใจออกไปฟูออกทีนี้จังหวัดที่สามที่เราหายใจเข้านี่นะเห็นว่าฟังหายใจเข้าแล้วรู้ถึงสภาวะต่างๆที่อยู่ในกายของเราเนี่ยเราให้มันมาตั้งอยู่ที่จองของเราหายใจเข้าคราวนี้รู้สึกถึงส่วนต่างๆในกายทั้งหมดจากปลายจมูก ถึงคอถึงอกถึงกระบังลมจนถึงท้องให้จิตของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้คือตรงตรองนี่ตรงจุดที่ลมมันมาจบอยู่เนี้ยให้เราตั้งจิตไว้ที่นี่จากนั้นก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างธรรมชาติธรรมดาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆคราวนี้แหละตั้งจิตไว้ที่นี่ ตรงจุดที่เรารับรู้ถึงลมลมทั้งหมดอยในตัวเราอ่ะดังนั้งคราวนี้มันก็จะมาอยู่ตรงบริเวณท่ามกลางอกขั้นมาทางลิ้นไปหรือเข้าไปจะถึงทองด้วยซ้ำให้ตั้งที่กเร า, เาไว้นะ่ะที่ตำแห น, น่งนี้ฐานกลางกายที่ลมหายใจทั้งหลายมันมารวมกันอยู่ที่นี่จะให้ใจกี่ครั้งเข้าออกยังไง มันก็มารวมกันอยู่ในตัวของเรานี้ตั้งจิตขเราขึ้นรู้เราไม่ใช่คราวนี้คราวนี้เราไม่ได้มารู้จากทางโรงจมูกนะเรารู้จากในตัวเเลยท่ามกลางอกบริเวณท้องเลยรู้ถึงลมรู้ที่นี่ตั้งจิตนิ่งดิ่งเอาไว้อยู่ณที่ตำแหน่งนี้ไม่ต้องบังคับลม ไม่ต้องแต่งลมให้สั้นหรือยาวเร็วหรือชา้าแรงหรือค่อยที่หรือห่างร้อนหรือเย็นไม่ต้องพอครั้งที่สามแล้วให้ใหายใจมันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาหนะ้าเป็นอย่างนี้ธรรมดาหายใจมันเป็นธรรมชาติไม่ตรงหมัครับรับรู้ตามธรรมชาติตั้งจิตไว้ให้ยุกลมให้ดี มีภาษาอะไรมากระทบให้นิ่งเย็นนิ่งเฉยมีอุเบกขาอยู่ได้รักษาจิตที่มีสภาวะความเป็นสมาธินี้ให้ดีอ้าวละตุ่มฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่ง วันนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะในเรื่องของศรัท ธ, ธาชนิดที่มีอาการประกอบด้วยเหตุด้วยผลต้องมีวิธีการมีรูปร่างรูปทรงที่จะต้องดูดีเปราเงินศรัท ธ, ธานั้นจะทำให้เราสับสนงงงายปฏิบัติไปไม่ถูกไม่ชอบ ในช่วงของใต้ร่มโพธิบลททุกวันพุทธในรายการธรรมารับปรุณที่เราจะให้ตัวังได้ฝึกทําจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วนําหัวข้อธรรมะที่มีความน่าสนใจดูซิว่าในหัวข้อนี้นั้นรายละเอียดเขาเป็นอย่างไรมีการเชื่อมโยงไปในประสูลเรื่องราวอื่นๆต่างๆ ในลักษณะไหนการนำไปใช้งานอุปมาปมายเรื่องต่างที่น่าสนใจเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันในช่วงของตาร่มโพธิบัวข้อที่ข้าพเจ้าได้ยกขึ้นในวันนี้ตัววางคืออากาแรวตีสัทธาอาการะเราก็มีคำว่าวตีผ ว, วนต่อตาสละอี แล้วก็ศรัทธาศรัทธาหมายถึงความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสคือศรัทธาที่ต้องประกอบด้วยอาการอาการรัตวติที่มีอาการอาการ ะ, ะตัตวติที่มีเหตุมีลักษณะอาการ ะ, วะัวติไม่ใช่แค่ว่า เออฟังตามตามกันมาเราก็โอเคเชื่อเลยตามนั้นเราว่าบูชาแล้วก็จะรวยใช่ไหมโอเคอ่าเหร อ, อ, อใช่สินี่คือหลักการฟังตามตามกันมาเฮอหรือเหตุสักว่ากระทำตามตามกันม า, ม า, ม า, มามในหัวข้อเรื่องของ เ okay. กศกุตาสูตรนะการมัสนั่นแหละที่เราเรียกกันเข้าใจกันว่าถ้าเราจะมีความเชื่อลงใจลืมใสคือศรัทธานี่นะเพียงพระเหตุสิบอย่างคือหนึ่งศักวาฟังตามตา ม, ตามกันมาสักวากระทาตามตา ม, ตามกันมาเขาทำมาอย่างไรโอเคฉันก็ทำไปอย่างนั้น หรือว่าเขามีการเล่าเรือกันอยู่เล่าเลือกันนี่คือเป็นตำนาน น, นนะเป็นตำนานเขาว่ากันมาอย่างนี้ว่าเกิดในสมัยโน้นหลก็ปกีเรื่องอย่างนี้โอเคถ้าตำนานเกินไปเนี่ยมันเป็นน้ำเลยนะทุกท่ามันหาเล่มหาข้อหาหน้าหาหลักฐานอะไรไม่เจอเลยล่ะเป็นน้ำเหลวเละไปเลยเมื่ตำนานเกินไปหรือว่ามีอ้างในปีดกต่อให ไม่มีนะ้ามีเล่มเลยรเรื่อนี้เล่มนี้นานี้ข้อนี้นี่เขเก็บรวบรว ม, รวมหลักฐานกันมาอย่างนี้ถึงแม้ว่านี่จะเป็นว่ามีอยู่ในพระติศาสร์ปีดกนะเออถ้าคุณจะเชื่อด้วยเหตุเพียงที่ว่ามันอยู่ในปีดกหายในข้อมูลพีดกในหนังสือก็เอาที่คิดเป็นตําเหลวแล้วเนี่ยตํานานแล้วเนี่ยมาเขียนลงในหนังสือก็ได้เออนั่นเลยสิ เราเราก็เลยคิดว่าอยู่ในกฎหมายเป็นข้อนี้เล่มนี้หน้านี้เราก็คิดว่าเอ๊ยมันจะต้องถูกแน่นอนฟันธงเออไม่แน่นะ เ, เดี๋ยวก่อนนะหลังจากนี้ยังมีอ้างในปิดกแล้วยังใช้เหตุผลทางตรร ก, กะคือคิดคล้ายกลวนปลายตรองเออซึ่งนี้จะเป็นจุดที่ข้าพเจ้าต้องการจะมาอธิบายในวันนี้เติมมาฟังว่าอาการวรตี คือสักกาที่มีอาการเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ว่าคิดใล้ครัวน์ตรายตรองเอาด้วยนะแค่คาดกรณีทางตรร ก, กะหรือข้อถัดมาคือใช้เหตุผลทางนิยสันนิฐานโอ้ก็มันเคยเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหเหตุแนละผลเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าจะน่าใช้เหตุผลเดียวกันกันกบเรื่องอื่นนั้นได้ด้วยเอามันไม่น่าจะ ถือเอาได้ว่าจริงเพราะเหตุนี้เท่านั้นนะเออหรือจะคิดว่าตริตรึกตามอาการตริตรึกตามอาการนั้นก็คือตามความชอบใจตามความไม่ชอบใจเช่นถ้าเราชอบใจพอใจสิ่งนี้เราก็จะเห็นด้วยมันน่าจะจริงแต่เราไม่ชอบใจพอใจอีกสิ่งหนึ่งเราก็จะมีอคติ คือความที่นไม่แน่จริงนะ่ะความลำเอียงความอคตินี่คือตรึกไปตามอาการอาการนี่คือเหี้เลยนะคือที่ยกเอาเรื่องของอาการวตีศรัทธามาพูดนี่เพราะว่าสัปดาห์ก่อนให้ทุมฟังได้ฟังอภรณนกสูตรแล้วในประสูตรนั้นมีคำที่สะกิดใจข้าพเจ้าอยู่คำหนึ่งนี่คือคำว่าอาการวติศรัทธา จึงเอาคำนี้มาวิเคราะห์มาอธิบายขยายความในช่วงของใต้ร่มโบดิบทนี่แหละจะดึงข้อมูลมาจากหลายๆประสูนติีเดียวติดตามฟังในเบื้องต้นก่อนที่ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะมีความมั่นใจลงใจเชื่อใจเริ่มใส่จนกระทั่งคิดว่าอ้นี้จริงแน่นอนอย่างอื่นไม่ใช่นี้ถูกต้องแล้วร้อยเปอร์เซนตเอาเรื่องนี้ดักไว้ก่อนเลย การมาสูตรสิบประการยังมีต่อไนะอย่าถือเอาว่าจริงด้วยเหตุสักว่าสิ่งนั้นทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิมีทิฏฐิของครูบาอาจารย์ทิฏฐิของพระพุทธเจ้าตรวจสอบมาแล้ว่านี่จริงนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิที่ไม่เชื่อความเป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่อการมีอยู่เป็นอยู่ พวกน้เป็นมิจฉาทิฏฐิในี่กเเพ่งกันพิสูจน์กันทำได้กันมาแล้วแล้วก็จะถือเอาว่าสิ่งนี้จริงเท่านั้นอย่าเพิ่งอย่าปึงหรือถ้าจะดูแค่ว่ามันน่าเชื่อถือนะเนี่ยนะน่าเชื่อถือแล้วก็เลยเชื่อถือสิ่งนั้นน่าเชื่อถือนี่มันจัดการได้หลายอย่างทําให้ดูเลื่อมใสมากมายก็ได้ดูอย่างมายากล น, นี้ได้เอ้าดูน่าเชื่อถือไหม เหมือนจริงมากเดินทะลุฝาทะลุกาแพงเดินบนน้ำเดินบนอากาศเสกสิ่งขอใหายไปดูน่าประหลาดมากเลยดูน่าเชื่อถือแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันจะจริงไม่ได้หรือแม้แต่ว่าถ้าผู้พูดเป็นพระด้วยนะเออเป็นนักบวชแล้วก็เคยเป็นครูเป็นผู้สอน โอ้เราก็ต้องเชื่อสิท่านบุญมาปานี้สิ่งนี้ต้องจริงแน่นอนโน no, no, no, no อย่าพึ่งอย่างนั้นอย่าพึ่งอย่างนั้นทำไมท่านถึงกลาวว่าวไว้อย่างนี้ตมบัาเพราะคนเรานี่มันเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งไหนนะที่เราเชื่อเลยแล้วนะสิ่งนั้นนั้นเน่ มันคือความจริงต่อให้ว่าสิ่งนั้นมันไม่จริงก็ถ้าได้ว่าคุณเชื่อว่ามันจริงแล้วนั่นคือความจริงของเขาอ่ะในทางตะวนันตกนี่ก็จึงมีคําพูดอย่างนี้เลยนะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้นั่นแหละคือความจริงของคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้นั่นแหละคือความจริงของคุณอีกเหมือนกันแล้วจิตใจมนุษย์เนี่ยสมอ ง, งมันไม่ได้จะสนใจหรอกว่า ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆดูอย่างข่าวสารบ้านเมืองเงี้ยทำไมมีการแบ่งฝักฝ่ายเป็นสีนั้นสีนี้เสร็จแล้วสีหนึ่งก็ยังมารวมกันได้ใหม่เสร็จแล้วก็ยังแบ่งกันไปอีกสีหนึ่งค่ายหนึ่งก๊กหนึ่งกวนหนึ่งตั้งแต่ที่ก่อนหน้านี้นี่โอ้เกลียดกันไม่พอใจกันจนจะไม่เผาผีกัน สลายกันปราดปราหันกันทิ่มแทงกันด้วยออคือปากก็นั่นเพราะว่าถือความจริงเวอร์ชั่นหนึ่งไงแต่พอความจริงเปลี่ยนเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเอาหนังคนละมวนนี่นาะโอก็เลยมากอดเกันได้ใหม่ดีใจเชื่อมโยงสามัคคีกันได้อีกอละนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกได้ไหมได้แน่นอนตามอะไรนะตามความเชื่อของเขานั่นแหละ แต่เขาเชื่อว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนไม่จริงนั่นก็คือความจริงนั่นก็คือความเท็จของเขาผู้นั้นที่เชื่อแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นความเชื่อว่าจริงกับความจริงจริงๆเลยเนี่ยนะมันจึงบางทีไม่สอดคล้องกันเอาตามความเชื่อเป็นหลักความเชื่อนี้นั้นมันจึงสาคัญที่ว่า จะต้องประกอบด้วยอาการทันใจคำว่าอาการะวะตีแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ในปัญน า, าสูตรก็ตามนะทุกฝั่งนะนี่คือในมัชิมนิกายนะสัปดาห์ที่แล้วหายใจทองฟังฟังนะรายละเอียดทั้งหมดนี่กรุณาไปฟังเองด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าได้ฟังมาแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ไปฟัง ข้าเจ้าจะคร่าวๆให้นวันนี้ที่ว่าอาการรัตติสัตตาเนี่ยพูดเองด้วยนะข้าพเจ้ามีหลักฐานนะนี่ข้าพเจ้ายกหลักฐานม า, อ ย, าอยู่ในมันชฌิมนิกายเนี่ยเรืมนี้ขอ้อนี้หน้านี้นี่ที่คือหนึ่งมีอาการใช่ไหมสองมีอ้างในปิดอกด้วยนะปลาหมาปีบูเนียอ้างขึ้นมานะเออดกูก็มันอยู่ในตําราเรื่องนี้นะแต่พอมาดูในอังคุตระนิกาย ชือเกศพัพปุตตะสู่กล่าวกับพวกกละมะเนี่ยเขาก็มักจะพูดกันในปัจจุบันว่าเป็นหลักกละมะสูตรสิบข้อหนึ่งในสิบข้อนั้นบอกว่าอย่าถือเหตุสักว่าการตรึก ต, กตามอาการก็อาการะเนี่ยอาการรัตติในที่อังคุตนนันนกรรบอกอย่าถือว่าจริงตามนั้นเอาคำพูดพระพุทธเจ้า ขาดกันดีนี่หรือในที่นี่เราบอกเนี่ยมีอ้าในพระไตรปิฎกเล่มนี้ข้อนี้หนานี้นี่ก็มัชฌิ ม, น า, ม 12, นนานิกายเล่มที่สิบสองข้อที่เก้าสิบสามอันนี้ก็อังคุตระนิกายเล่มที่ยี่สิบข้อที่สองร้อสี่บสองาว่าไปดูนี่มันมีหลักฐานน่าอิงอ๋อนี่ทำไมท่านบอกว่าอย่าเตือว่าจริง เพราะเหตุสักว่าขาดกันดีนี่ขาดกันนะคนหนึ่งบอกสตาต้องมีอาการอีกคหนึ่งบอกอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าตามอาการเอาแล้วใช้ตามอาการหรือไม่ตามอาการกันแน่ต้องมีเหตุหรือไม่มีเหตุกันแน่เอาแล้วในตำราทำไมเขียนไว้ไว่าอย่างนี้เอาละ หมือนเติมเลยเติมมาฟังสมัสมาที่มานี่จิตใจต้องแจ่มใยนะสปอยก่อนเลยเติมมาฟังว่าความจริงกับความจริงคือมันก็ละอย่างกันความจริงที่เราใช้อยู่ในปัจจุบั น, นคือข้อเท็จจริงมันก็จะมีเฟคนิวส์มีแฟกมีข้อเท็จจริงแฟก หรือว่าเฟ e อันนี้คือลักษณะที่อยู่ในปัจจุบันเราพูดคุยกันว่าไอ้ น, นี่จริงไม่จริงอะไรยังไง น, นี่คือแฟกและเฟ e ในภาษาอังกฤษอันนี้คือความจริงทั่วๆไปความจริงทั่วๆไปใจสัน์นี้เนาะส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือความจริงชนิดที่เป็นสัจจะสัจจะความจริงสัจจะความจริงนี้ ก็คือเรื่องอริยสัจสีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมันเหนือขึ้นไปอีกเป็นลักษณะที่เป็นทิฏฐิความเห็นที่อยู่ในระดับเหนือโลกแล้วจะเป็นไปเพื่อสู่นิพพานแต่ถ้าอยู่ในระดับสมมุติโลกมันก็มีสมมติว่าจริงสมมติว่าเท็จเราก็เรียกอนิวัสขอเทีจจริง fact แ, และ fake ในขณะที่ถ้าระดับเหนือโลก คือความจริงแบบจริงๆแบบสัจจะความจริงเนี่ยก็เรียกวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ว่าจะเฟกหรือแฟกขอแต่จริงเนี่ยนะจะเทหรือจะจริงมันก็มีสัจจะความจริงของกขาว่าเออสิ่งนั้นไม่จริงเหมือนกันนั่นแหละอนนี้สปอยไปก่อนนะสปอยไปก่อนด้วยหลักการนี้เติมบทังแนวการทําแนวการคิดแนวการปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องมีการแยกๆอยู่ในระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของโลก เรือมีถูกมีผิดมีแฟกมีเฟกมีเท็จมีจริงนี่คือเกี่ยวกับระดับของโลกนะมีถูกมีผิดมีแฟกมีเฟกแฟกนี่คือข้อที่จริงเฟกนี่คือข่าวปลอมข่าวลวงมีเท็จมีจริงก็ถ้าหนึ่งบวกหนึ่งมันได้ห้ามันก็ผิดอ่ะผิดก็คือผิดอ่ะถ้าสองบวกสามต่างหากคือถึงจะได้ห้าเออหนึ่งก็ถูกอ่ะมันก็คือถูกอ่ะ มันคือจริงเป็นอย่างนี้นี่คือระดับที่เราอยู่ในโลกเราเรียกว่ามีสมมติสมมติจริงสมมติเท็จสมมติถูกสมมุติผิดสมมติแฟกสมมติเฟกอันนี้ก็ตามเหตุตามเงื่อนไขตามปัจจัยไปตามแต่ที่ว่าปัจจัยมันมีไม่มีอะไรยังไงดูกฎของฟิสิกส์ดูก ฎ, ข อ, Physics, กฎของทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้โอ้มีการเปลี่ยนแปลงกันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเรื่องกฎของนิวตันกฎของแรงโน้มถ่วงเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเขาก็ตามสมมุติที่มีอยู่ในปัจจุบันตา ม, มีที่เขาวิจัยสินตนาการตรวจสอบทดสอบตั้งทฤษฎีอะไรต่างๆอันนี้คืออยู่ในสมมุติโลกมีแฟกมีเฟกมีถูกมีผิดมีจริงมีเท็จนี่เป็นอย่างนี้ มีในระดับตรงเนี้ยนื่งเป็นระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่เป็นอีกมิติหนึ่งแล้วกันจะว่าอย่างนี้อีกมิติหนึ่งที่เราต้องนํามากู้กันนะมาประกอบกันเพื่อที่จะให้ได้ทรงให้ได้รูปร่างลักษณะสภาวะวิธีการเหตุทํานองไหนชนิดอย่างไรท่วงท่ายังไงของสัตตาอาการัตวติสัตตา ส่วนที่สองที่เป็นมิติที่สองคือมิติที่เป็นไปนในทางเหนือโลกล่ะเป็นไปนในทางเหนือโลกจะไปสู่นิพพานนี่มันก็เรื่องของอริยสัจสี่สัจจะความจริงซึ่งสัจจะความจริงตรงส่วนนี้มันคือความจริงที่ไม่เป็นสองไม่เป็นอื่นมันก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นมิจฉากับส่วนที่เป็นสัมมามิจฉามไม่แปลว่าผิดในที่นี้ หรือสัมมาไม่ได้แปลว่าถูกด้วยเพราะมันอยู่ในส่วนของสมมุติไงมีถูกมีผิดแต่ในส่วนที่เหนือโลกแล้วเหนือสมมุติแล้วเนี่ยที่ว่ามิจฉาคือไม่ถูกเนี่ยนะแล้วสัมมาคือมันจะเป็นส่วนถูกเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ร้อเอร์เซนต์เพราะว่ามันคือส่วนทั้งล่างส่วนสมมุติแต่มิจฉานี่คืออะไรที่มันจะประกอบด้วยกิเลสกิเลสป่พอปูนกิเลสหนาขึ้น กิเลสสะสมนั่นเป็นมิชาทั้งหมดอะไรที่จะทำให้มันกิเลสเบาบางลงกิเลสลดลงน้อยลงจนกิเลสมันสูญสิ้นไปเลยนั่นคือสัมมาทั้งหมดนี่คือมิติที่สองที่เราต้องคิดต้องพิจารณาในพุทธพจน์ที่เป็นึังกุรณนิกายที่ตรัสไว้กับชาวกาลมัตในเกสาพุทธสูตร ปรามสูตรเนี่แหละนะบอกว่าอย่าถือเอาว่าจริงจริงเนี่ยด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้1ิประการนั่นคือท่านกล่าวไว้พูดถึงในทางโลกในทางสมมุติว่าในทางสมมุติโลกมันก็มีการอ้างกันอยู่สิบอย่างนี่แหละนี่ก็ทาตามๆกันมางี้เราจะว่าไงเราก็ไมีอาจารย์เขาเปิดํานักสอนว่าอย่างนี้จะว่ายังไงหรือมีอ้างในปริโดก์อะไรต่างๆเหล่านี้ นี่คือทาสมบูรโลกก็มีการทำอยู่แล้วเปิดสานักบูชาครูนี่มีข้อบฏิบัตินั้นสำนักนั้นทําอย่างนี้อีกสานักก็ทําอีกอย่างหนึ่งมีตานานด้วยนะมีเรื่องราวในเอกสารนี่มีการพิสูจน์แล้วคนนั้นก็มาร่วมคนนี้ก็มาร่วมแต่และคนที่มาร่วมนี่โอ้มีชื่อเสียงมีปัญญา เป็นนักวิชาการอะไรต่างๆนั่นนี่เอามีหมดอะใน่างตรงข้ามก็จริงด้วยนะบางทีเรื่องนี้เอาไม่มีใครจะเข้ามา endorse มาสนับสนุนอะไรเลยเยแต่มันจะจริงไหมตรงข้ามก็มีนะเพราะนี่คือระดับของโลกไงมีแฟกตมีเฟ k e มีถูกมีผิดมีเท็จมีจริงซึ่งจะเอาตรงนั้นมาเป็นประมาณโดยส่วนเดียว ไม่ได้ต้องมีมิติที่สองนั่นคือเรื่องของมิฉาและสัมมาด้วยถ้าเราเถียงกันเถือกันว่าอันนี้จริงเท่านั้นสิ่งอื่นเปล่าแต่ละปิดละถ้านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่อันนี้คือฟันตรงให้ได้ว่าไม่ถูกทิฏฐิแบบนี้ไม่ถูกนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ทิฏฐิแบบนี้ไม่ถูก คนพูดก็ต้องบอกสิว่าอยคำสอนของศาสนาพูดดีมากเท่านั้นเลยอย่างอื่นไม่ดีพูดอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องมันไม่ถูกเป็นความเชื่อคือศรัทธาชนิดที่ไม่ได้ประกอบด้วยอาการรูมร่างมันน่าเกลียละเหตุผลคำกล่กาวนี้ไม่ถูกไม่สมควรกับวินอยู่ชนนว่าอาส่งนี้ดูไม่ได้แต่งใหม่ ถ้าถือเอาว่าสิ่งนี้ถูกแล้วสิ่งอื่นผิดทิฏฐิแบบเนี้เป็นมิจฉาคือต่อให้มันถูกจริงๆเองก็เลยตามนะเช่นเราบอกว่าศาสนาพูดี่ถูกแน่นอนมีนิพพานแล้วสิ่งอื่นบอกผิดหมดเลยพวกไปอยู่กับพระเจ้านี่อ้นั่นนี่น OLA เนี่ยด้วยคําพูดเนี้ยจริงๆเลยสมมันจริงเลยจริงก็ตามเนี่ยทิฏฐิแบบนี้ยมันเป็นมิจฉาตรงที่ว่ากิเลสเรามันมันเพิ่มนะ่ะ กิเลสการยกตนข่มผู้อื่นมันเริ่มมีขึ้นแล้วถ้าต้องได้เสียงกันด่ากันมากกันนี้ไม่ดีไม่ได้ประกอบด้วยอาการละเพราะฉะนั้นเราดูได้จุดหนึ่งดีว่าสัตยาที่ต้องประกอบด้วยอาการนี่นะเออมันจะต้องเป็นการที่ไม่ได้มีที่ผีไปสุดตรงด้านใดนด้านหนึ่งคนนี้ง่ายกําลังพูดถึงว่าคำสอนกอพระบรมชาเนี่เป็นมัชฌิมปฏิปทาใช่ไหมละ่ะไม่ได้สุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักการอะไรเลยดิ้นได้ไม่ตายตัวก็ไม่ใช่เันจึงต้องดูสองมิติงไงนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะทวารนาะวันนี้นะอาการของศรัทธาที่จะต้องดูทรงมีท่ารูปร่างแล้วเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมที่จะเป็นไปเพื่อ น, นิพพานได้ประการที่หนึ่งคือดูสองมิติ มิติที่เกี่ยวกับทางโลกที่มีจริงมีเท็จนี่ก็วาภายัยมิติที่สองที่เกี่ยวกับระดับเหนือโลกสองอันนี้ต้องอะไรกันต้องทําให้มันตรงกันนันจะเป็นทางไงปรับให้มันตรงกันตรงกันในทางที่ว่าถ้าอะไรที่มันจะจริงในระดับโลกเลยก็ตามนี่เราก็ต้องอย่าให้มันมีกิเลสอย่าให้เป็นมิจฉาหรืออะไรที่มาถ้ามันจะผิดในระดับของโลกอันนี้ไม่ ถูกก็ได้นี่ต้องแก้ไขนะเราก็ให้มันเป็นสัมมาก็แล้วกันก็พร้อมที่จะปรับตัวแก้ไขไม่ได้ดา่าตอกันว่ากันให้ตรงสัมมามิจฉาในขณะทุ่ว ง, งมันก็จึงมาต ก, กาเรื่องขององค์ประกอบประเสริฐแปอย่างไงไหลามาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธิไหลมาตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธินี่คือ ประเด็นที่หนึ่งนะต้องดูในสองมิติประเด็นถัดมาตัวฟังสต้าที่มีอาการมีเหตุมีเงื่อนไขจะไม่ใช่จบรงเพียงแค่การเชื่อเฉยๆเพราะถ้าดูประกอบจากกลธรมสูตรเนี่ยถืออาวจริงเลยว่านี้เป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนมาอย่างนี้ต้องจริงแน่นอนเนาะเพราะว่ากลับไปที่ทั้งสองมิตินั่นน่ะ มิติที่เป็นสมามิติที่เป็นมิจฉาเนี่ยนะท่านฟังนะมันเป็นไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียวนะมันยังรวมถึงการลงมือทําลงมือปฏิบัติในทั้งสามทางทางกายทางวาจาและทางใจนะการลงมือทําศรัทธาที่จะประกอบด้วยอาการนั้นต้องมีแอคชั่นมีการลงมือทำํำหรือวิริยะ มีการทําจริงมีการแน่วแน่จริงให้เกิดการลงมือทําให้เกิดวิริยะให้เกิดความกลา้าได้ทําไมขรัพเจ้าถึงสามารถฟันตรงลงไปได้อย่างนี้ก็ดูในคาลมาสูดสิท่านผู้ังแค่ท่านลําพังเรามีความเชื่อและความเชื่อนั้นมันจริงๆริงเป็นสัจจะและถูกทั้งสองมิติแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทํามันจะเกิดประโยชน์อะไรในประสูตรอื่นๆจะพูดถึงเรื่องดีวายแผ่เมตตาจิตไปโดยซ้ําไม่ให้ผิดศีลด้วย คือมีมิติทั้งกายวาจาและใจที่คุณต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ว่าเชื่อแล้วก็โอเคเชื่อแล้วโอเคมันไม่โอเคไงทุกฝัง่งเชื่อแล้วถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยมันไม่โอเคการมีความเชื่อมั่นใจเรื่มใสศรัทธาแล้วจะต้องลงมือทาลงมือทำอะไร กายวาจาใจให้เป็นยังไงให้เป็นสัมมาโอเคเลียนไหมอาการรับปฏิสัตย์ต้องให้เกิดการลงมือทําถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยทุูฟังมันจะไม่ได้ให้เกิดการลงมือทําได้นะพูดจริงๆนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อมันจะสำเร็จเราไม่เชื่อมันจะไปได้เราไม่เชื่อมันนี่ก็จะถูกทางอ๋อแล้วคุณจะทําไปทําไมอยู่น้อมันก็ต้องเชื่อบ้างนะ เชื่อจากที่ว่าเอา้าเขาว่ากันมาแค้นะ่ะเขาว่าว่ากันมาเราเขายังไม่ได้คิดอะไร เ, เขาว่าอย่างนี้เราซึ่งจะทไปอย่างนี้ฟังตามตามกันมากระทาสืบตามตามกันมาเป็นตํานานว่ากันมาโอเคแต่ถ้าลงมือทําแล้วเหมือนไม่ได้เป็นมิจฉาไม่เป็นสัมมาทังกายวาจาใจทําเลยเอา้าการลงมือทําอย่างนั้นเนี่ยที่เกิดจากศรัทธาที่เชื่อแบบนั้นมาแล้วเนี่ยมันอย่างดี ถูกนะเป็นสัตยาที่ประกอบด้วยอาการนะทางทึงที่ว่ากิดเชื่อตามกั น, กนมาเฉยๆนะนั่นไงก็หมายความว่าถ้าในทางมิติที่หนึ่งปรมารประเด็นที่หนึ่งนี่ว่ามันมีเรื่องของทางโลกมีแฟกมีเฟกมีเท็จมีจริงมีถูกมีผิดเนี่ยเราดูผิวเผินว่าอ้อันนี้เชื่อตามๆกันมามันน่าจะผิดแต่ว่าถ้าทําให้เกิดสัมมาแล้วนี่ลงมือทําด้วยนะเออมันมันดีไง เป็นสตานที่ประกอบด้วยอาการหรือในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันนะนี่คือข้าพเจ้าเอาทั้งสองประเด็นเนี่ยมารวมกันนะประเด็นแรกคือมีสองมิติเรื่องของสมมุติกับวิมุติเรื่องของระดับโลกกับเหนือโลกสมมุตินี่ก็คือมีแฟกมีแฟก ม, มีเทอมีจริงวิมุติหรือเหนือโลกนี่ก็เป็นสัจจอริยศาส์อย่างนี้ คือทุกสิ่งไม่เที่งเป็นทุกเป็นนตามีเหตุมีผลนิ่ประเด็นที่หนึ่งประการที่หนึ่งเรามารวมกันกันกบว่าศรัทธานั้นจะต้องให้เกิดการลงมือทำจริงแน่แน่จริงมันต้องมีการเทคแ action ต่อให้มิติที่ว่ามันในเรื่องโลกเป็นเท็จไม่จริงเขาว่ากันว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้รือถ้าบอกว่ามันทำให้เดสัมมาได้มีการปรุงแต่งออกมาทางก า, ายวาจาใจ ไม่ประกอบด้วยกิเลสให้กิเลสมันลดลงได้เลยบูชาเลยแล้วเขายังจะมีความเกรงกลัวความละอายต่อบาปได้เนะี่ยมันดีกว่าคนที่ไม่กราบไหว้ไม่บูชาด่าทอคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดยกตนข่มคนอื่นมันมันไม่ดีนะการยกตนข่มคนอื่นการว่าคนอื่นผิดตัวเองถูกนี้เท่านั้นจริงเนี่ย ต่อให้นั้นจริงๆแล้วก็ตามมันก็ไม่ดีอ่ะแต่ว่าถ้ายังงม ง, ง, ง, ง, ง, งายอยู่ยังดูเหมือนงมงายเนี่ยอ่ะแต่ว่าถ้าเขาก็ firm, ทําความดีในก็ด <Stat> ี่ว่าเป็นสัมมานะอันนั้นยังเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยอาการด้วยซ้ำไอศรัทธาของคนที่ว่าด่าคนนั้นว่าคนนี้ไม่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยอาการเลยพระอรพระไมตรีทำไมเคยการลงมือทำที่เป็นสัมมา แต่ด้านลงมือทําที่เป็นมิจฉาประดาากันว่ากันไงไม่ดีเอาเราเอาสองอย่างนี้มาเทียบเคียงใส่กันละต่อไปก็ต้องประกันที่สามอากาลุตีสัทธาประการที่หนึ่งก็ตเองครั้งนงนะต้งดูสองมิตินะทั้งทางโลกและทางเหนือโลกอากาลุตีสัทธาในประการที่สองต้องลงมือทำํำลงมือทําจริงแนะ่ๆจริงไม่ใช่ไม่ทำอะไร หรือทำไปผิดไม่ดีประการที่สามตัวงหวังแนวทางที่จะให้เกิดศรัทธาที่จะประกอบด้วยอาการนั้นจะต้องไม่ว่าจะหูกหรือผิดในมิติของนังโลกเนี่นะแฟกหรือเฟกเท็จหรือจริงก็ตามศรัทธาที่ประกอบด้วยอาการนั้นจะต้องไม่ผิดคือไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยคุณก็ถูกเฮ้ย มันจะมีเหรอท่านคนนี้ง่ายจริงๆกับว่าอปัญญ า, าธรรมปัญากาธรรมคือธรรมะที่ไม่ผิดที่ว่าไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อนกุณก็ถูกหมดไม่ว่าจะออกเขียวหรือแดงคุณก็ถูกหมดไม่ว่าเลขท้ายสองตัวจะออกอะไรก็ตามน ะ, ะหมดออกเก้าเก้าหรือออกศูนย์ศูนย์เลขศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าออกตัวใดตัวหนึ่ง คุณถูกหมดถูกนี่ไม่ใช่ถูกกินนะแต่ถูกต้องหมดเออรับรองให้ด้วยการันตีตีตราไว้ไม่มีทางผิดอัปปันนกาธรรมซึ่งหลักการในเรื่องของอัปปันนกาธรรมก็ประชาอธิบายละเอียดไว้แล้วในช่วงของสมการชีวิตในทุกวันจันทร์โดยพูดถึงเรื่องวิธีคิดที่ไม่มีทางผิด ที่ไม่ว่ามันจะเสี่ยงขนาดไหนก็ตามนะเซ่นเลขท้ายสองตัวมันจะออกอะไรอะ่ะมันก็มี probability เนี่ยคือหนึ่งเอร์ซ่ะเแล้วถ้ามันออกอันไหนเนี่ยเราก็ถูกหมดอะ่ะได้หมดใช่หมดเนี่ยมันจะคิดยังไงอันนี้อธิบาลลยละเอียดไ่าตรงนั้นแต่จะยกมาคร่าวๆเพื่อที่จะอ้างอิงถึงศรัทธาที่จะต้องประกอบด้วออาการจะต้องมีส่วนของการรับประกัน ในขอน้อนี้จะต้องมีส่วนของการที่คิดแบบไหนก็ตามมันก็จะต้องไม่ผิดได้ไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยไม่ว่าจะออกศูนย์หรือเกาสิบเกต้องสามารถที่จะถูกได้ถูกได้แน่นอนเรื่องนี้อธิบายไปแล้วหนูฟังในปัญญากสูตรที่ได้ให้ฟังสดาก่อนนั้นด้วยในส่วนของมัจฉิมานิายมาสรุปให้ฟังตรงนี้ต้องวังว่า ถ้าเขามีคำพูดคำเล่าเรื่องกนมามีทิฐิที่ว่ากันมามีเรื่องอ้างในตำราคนนี้ก็ใช้เหตุผล น, นี้กันฟังดูหน้าจริงอยู่ถูกอยู่คนนี้ก็ใช้เหตุผล น, นึงก็เอิอ่มก็ถูกอยู่ดูได้ดีเหมือนกันนะอย่างนี้นะถ้ามันมีข้อมูลอะไรตามมาเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการคิดตั้งบุฟังวิธีการคิดที่ว่าจะไม่ผิดตัวอย่างยกมาเลยตั้งบุฟัง เ, เรื่องของทิฐิความเห็นีีไมม่เหตุ ไม่มีปัจจัยกับทิฏฐิความเห็นที่มีเหตุมีปัจจัยทิฏฐิความเห็นที่ปฏิเสธสิ่งอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ปฏิเสธการกระทาปฏิเสธผลที่จะเกิดขึ้นกับทิฏฐิที่รับรองว่าเออมันมีเหตุมีผลมีการกระทามีความพ้นทุกข์อะไรต่างเนี่ยนะเ้มันมีสองทิฏฐิอย่างนี้ อันหนึ่งก็อาจจะถูกก็ได้อันหนึ่งก็อาจจะผิดก็ได้นี่วิธีคิดนะวิธีคิดนะคิดในที่นี้คือให้เกิดปัญญาแล้วละวิธีคิดที่จะให้เกิดปัญญาเรานี่มห ah าภัยบุญนี่จะไมชอบสปอยก่อนเรื่อยก็คือศรัทธาที่ต้องประกอบด้วยอาการต้องมีปัญญาไงศรัทธาที่มีอาการต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากอะไร เกิดจากการไคร์กรนุนเกิดจากการตริตลึกเกิดจากการโยนนิสมนติการคือการไคร์กรุนโดยแยบขายซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของชาวกาลมา อ, อ๋อคำว่าการไคร์กรุนโดยแยบคายในนี้ไม่มีนะเออคือทั้งหมดในเรื่องกาลมาคือการไคร์กรุนโดยแยบขายแนละ้วไงพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงมี การกำหนดบทเปลี่ยนหน้าที่รักกุ่มมากนะต้างระวังรัด ก, กุมมาโอ้หถ้าเราถอดตัวึง ต, ต, ตามอาการเพ่งทิฏฐิแค่เชื่อว่านี้เป็นครูปเป็นอาจารย์เราจะถือว่าจริงเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยหนึ่งก็เรื่องมิจฉาหรือสัมมาของจิตที่คุณจุดตรงไปข้างเหนือเบาวรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโยนิโสมณสิกานโยนิโสมณสิกาตนตรายตรองเพื่ออะไรนะให้เกิดปัญญา ปัญญานี่ต้องประกอบกับศรัทธาจึงจะเรียกว่าเป็นอาการระวัตีศรัทธาคือศรัทธาที่มีอาการหนึ่งในอาการนั้นต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากอยูนโิโสมนุสิกันคือการทำในใจโดยแยบคายทำยังไงคือการทำในใจโดยแยบกายที่ประกอบด้วยปัญญาคือคิดตามแนวของอัิาารักธรรมไง คิดตามแนวของอภินันกธรรมที่ไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยไม่มีตางผิดแนวทางตามอภินันกธรรมตัวอย่างที่พระพิจารณายกขึ้นในช่วงของสมการชีวิตให้ตมบุฟังได้เห็นชัดเจนว่าแนวคิดแบบไหนนี่นะเขาบอว่าต้องเลยอ่ะเขาบบว่าเห็นกันจ่าๆเลยอ่ะถ้าเราบอกว่าสามูณสองได้หกอีกคนหนึ่งบอกหนึ่งูณหกก็ได้หกทน เออเอ๊ะแล้วคนไหนถูกกันแน่นี่สับสนดี่นี่วันนี้อริการิสาตูบอกว่าหนึ่งคูณหกได้หกโอ้วันนี้ผมไม่ไปเรียนละทําไมอ่ะเมื่อวานกูบอกว่าสองคูณสามได้หกวันนี้มาเปลี่ยนแล้วนี่ผมก็ต้องไปลมของเก่าอีโอ้ไม่ไหวละพออ้าเอ๊ะแล้วไหนมันถูกกันแน่นี่ต่เด็กก็รึงเรีรยนก็นิสัยมันจะงงงี้นะ ดูตรงนี้ตัองว่างว่าถแต่เพราะว่าการกระทำที่เราจะคิดพูดหรือกระทำทางกายออกไปเนี่ยเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการกระทำออกไปนั้นไม่ดีการกระทาอะไรออกไปตามความเชื่อที่คุณเชื่อว่านี้จริงหรือนี้ไม่จริง แล้วมันจะเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายนั่นไม่ดีความเชื่อนั้นที่ให้เกิดการกระทําออกไปนั้นการกระทําออกไปนั้นน่น่ะไม่ดีศรัทธานั้นน่น่ะไม่ประกอบด้วยอาการเพราะผลมันไม่ดีแล้วแต่ถ้าคุณเชื่อสิ่งใดใช่ป่ะต่อให้สามบวกสองมันได้หกด้วยอะ อันนี้น่าจะจริงนะแต่ถ้าการกระทําที่กระทํ า, าออกไปนะั่นน่ะไม่ได้เป็นการเบียดเบียนตนเองไม่ได้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เป็นการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่คือหลักการกก่าๆนะเราจะค่อยมาเจาะลงไปว่าไอ้เบียดเบียนตนเองเนี่ยมันเบียดเบียนยังไงแค่ว่าบางทีมีมิจฉาทิฏฐิก็เป็นการเบ them, ยียดเบียนด้วยเหมือนกันนะอาวากดูไม่ได้เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองผู้อนะื่นและทั้งสองฝ่าย การกระทําที่ไม่เบียดเบียนนั่นนะ่ะดีนะความเชื่อนั้นเนี่ยสันตา น, นั้นนะ่ะมีอาการนะเออทั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่าจะประกอบด้วยอาการเนี่ยมันต้องดูทั้งสองมิติด้วยนะเออตามประการที่หนึ่งที่พูดไ ป, ปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอประการที่หนึ่งคือสองมิติของส่วนที่เป็นสมมุติและมิมุติประการที่สองว่า ศรัทธานั้นต้องให้เกิดการลงมือทําจริงแน่แน่จริงและสามการไต่ตรองไคร่กรวนตามหลักของอปันตะธรรมศรัทธาที่ออกมาจะเป็นศรัทธาที่มีอาการก็จะมาตามแนวของอริสสีนั่นเองรู้บังมันก็จะล็อกกันมาเลยล็อกกันมาไม่ใช่ว่าดินได้ไม่ตายตัวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เหตุนั้นเดี๋ยวก็เหตุนี้ไม่ใช่แต่มีหลักการ ประกอบด้วยปัญญามีอาการลักษณะความคิดที่แยบคายทําให้เกิดการลงมือทาจริงแน่จริงด้วยีจะเพิ่มเติมในประการที่สามเรื่องของการแคร่ขุดรทะแยบคายนี่ที่กัปปชายาได้กลาไปในช่วงของสมการชีวิตนี่นะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่ ถ้าพูดถึงหลักการความวิบัติแล้วก็ปฏิปทาที่คู่กันไว้สามอย่างศีนวิบัติคือศีนนี่พังแล้วจิตวิบัติคือจิตนี่แย่แล้วทิฏวิบัติคือทิฏนี่เพี้ยนแล้วถ้าประกอบด้วยวิบัติสามอย่างกายวาจาใจนี่ไม่เดือดร่องแล้วก็สามอย่างจริงจะมาศีเนี่มันคือเรื่องของกายวาจา จิตทิฏฐนี่ยนเรื่องของใจถ้าเป็นวิบัติไปก็เป็นลักษณะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียเบีนทสองฝ่ายละแต่ถ้าไม่วิบัติไม่วิบัตินี่คือมีสัมปทาคือความถึงพร้อมไม่มีศีลวิบัติคือถึงพร้อมโดยศีลไม่มีจิตตวิบัติกือถึงพร้อมโดยจิตไม่มีทิฏฐิวิบัติก็ถึงพร้อมโดยทิฏฐิสามอย่างนี้คืออะไรแล้มันประกอบเปนในเรื่องนี้ได้เลยเป็นหลักการในการพิจารณาที่ไม่ปิด สีลอวิบตกก็คือผิดศีลสี่ส ห, าหาธรรมดาท่านหลายทมานฟั ง, งถ้าได้มีการฆ่าสาัตว์รักทรัพย์ประพฤติปิจารีมีการกล่าวเท็จมีการพูดยุยงให้แต่กันมีการพูดคำหยาบมีการพูดเพ้อเชอรอหรือเปลี่ยนสมข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของการดื่มสุราจะเป็นศีลห้าหรือศีลเจ็ด ถ้าผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นศีลวิบัติแต่ถ้าไม่ผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ถึงพร้อมแต่ไม่ดีก็เรียกว่าเป็นศีลิสัมปทาซึ่งหมายถึงว่าเราจะสามารถทําใ่หมันละเอียดลงไปได้ความเชื่อการปฏิบัติความเชื่อนะคือสตาร์ใช่ไหมที่ถึงพร้อมด้วยอาการให้เกิดการปฏิบัติพระอาศัยเหตุและผลเหตุคือเรื่องของที่จะไม่ผิดศีลนี่แหละ มีความเข้าใจอย่างนี้แล้วคุณลงมือทำเรื่องอะไรเรื่องให้เกิดศีลละสัมปทานนี่ไงลงมือทำแล้วมีความมั่นใจลงมือทำแล้วมีความมั่นใจมันยิ่งทำให้ศีลของเราเนี่ยมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปจากศีลห้าหลวมๆได้บ้างไม่ได้บ้างกว่าเป็นศีลที่มันคงขึ้นจากศีลห้ามีแล้วก็เป็นศีลแปจากสัปดาห์หนึ่งไม่กี่วัน ก็เป็นสัปดาละสองวันสามวันขึ้นมามีความถึงบ ร, รมด้วยศีลมีการรักษาศีลไม่ศีลวิบัติความเชื่อที่ประกอบด้วยอาการให้เกิดการปฏิบัติในศีลสมบูรณ์นี่คืออาการรัตวิสถาได้อย่างที่สองคือเรื่องของจิตที่จิตตวิบัติ กับจิตตะสำปทาหมายถึงคนที่มีความพยาบาทมีความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือมีความพอใจไม่พอใจขึ้นขึ้นลงลงคือถ้าเราจะพูดถึงระดับของใจที่มันจะออกมาทางกายวาจาได้นี่นะคือมันก็ต้องมีความคิดนึกน้อไปก่อนตัวอย่างคนที่จะ น่านกันว่าการลงมือถึงกันจะฆ่ า, ากันได้เนี่ยจิตใจเขาก็ต้องมีความพยายามซะก่อนก่อนที่จะมามีความพยายามได้ก็มีโทสะซะก่อนก่อนจะมามีโทสะได้ก็มีโกธาซะก่อนก่อนจะมามีโกธะได้ก็มีปฏิฆาซะก่อนคือมันเริ่มจากภายในมีความขัดเคลื่องปฏิฆาจะเจ๊ะเนี่ไม่เคยพอใจนั่นนี่ โกรธนี่ก็จะลักษณะของอุ่นๆขึ้นมาละเริมมีควันออกถ้าคัดเครื่องมันก็จะแบบไวๆสันๆไปธรรมดาปฏิคะแต่พอเริ่มอุ่นๆขึ้นมีควันขึ้นในโกรธละโกรธแล้วโทสะโทสานี่จะเดือดปุดบปุดบุ๊บุ๊ขึ้นโทส่าแล้วพยาบาลเลยคราวนี้เดือดอย่างแรงเดือดจ น, จนจิตใจมีความพยาบาอั น, นี้นี่จิตตาวิบัติละถ้าเราเชื่อเรื่องอะไรก็ตาม เฉ็นคุณเชื่อเรื่องว่าคนนี้เป็นครูนะนี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนะเนี่ยผู้นี้เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์แ ล, ล้วไงแล้วโกรธไงนั่นจิตตวิบัติแล้วนะเถียงคอเป็นเอ็นเลยว่าต้องอย่างนี้นะอย่างอื่นไม่ใช่นี่ไงทิบะทำสมัยถึงบอกชาวกรลมาว่าอย่าถือเอาว่าจริงพระเหตุสักว่าผู้พูดนี่เป็นครูของตนถ้าเกิดกิเลสขึ้นป่า น, นี้ ความเชื่อนั้นมันไม่ถูกล้ไม่ประกอบด้วยอาการตูวฟังไม่ใช่เป็นอาการเวื้อรแต่เป็นความยึดถือเนี่ยยึดถือในตัวบุคคลยึดถือในหลักความคิดอันใดอันหนึ่งแล้วก็ต้องมาด่ากันว่า ก, กันคิดประทุษร้ายกันนี่จิตตวิบัติแล้วจะไม่ให้จิตตวิบัติก็ต้องจิตสจตสัมปทาจิตตสัมปทาก็คือไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ไม่มีจิตคิดพยาบาทความเพ่งเล็งความอยากได้นี่นะมันก็เริ่มมาจากความพอใจนิดหน่อยก่อนมีความพอใจแล้วก็มีความยินดีในเรื่องลำดับของความอยากลักษณะของราเก้าโลภานี้ก็เริ่มมาจากความความต้องการซะก่อนคือปีหามีความต้องการแล้วมันก็มีความเพลินมีความอยาก มีความต้องการได้มาแล้วก็มีความตรณีมีการหวงกัน้นมีการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของต่างๆลักษณะจิตที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักหนาขึ้นไปจนกระทั่งถึงเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นนี่นี่คือจิตต์วิบัติแล้วส่วนของสายราคะสายโลภะแต่ถ้าจิตไม่วิบัติคือหยุดได้เร็ว หยุดได้ตั้งแต่ตอนที่มันขัดเคืองมีความโกรธต่อสายของโทวสะหยุดได้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีความต้องการมีความอยากไม่ให้มันเป็นไปกันเ่งเลงหยุดได้นั้นก็คือมีจิตตสัมปทาจิตตสัมปทาเกิดขึ้นจิตตวิบัติหายไปอาศัยจิตตสัมปทาเกิดขึ้นความเชื่อ การลงมือทำแบบไหนด้วยจิตที่จะมีจิตตาสมถตาถ้าเพื่อว่าเรามีความเชื่ออย่างไรแล้วแบบอยากได้สิ่งนี้ฉันต้องการอย่างมากเพ่งเลงความเชื่อนั้นต่อให้มันเป็นสองคูณสามได้หกนะถูกด้วยนะถูกในมิติที่หนึ่งเรื่องของทางสมมุติโลกนี่แต่ถ้ามีความเพ่งเลงมีความพยายามแล้วอะ มันไม่ถูกไงเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยอาการเพราะอะไรไม่ถูกในที่นี้คือมิจฉาไงมันมีกิเลสเพิ่มนะเป็นจิตตวิบัตินะการลงมือทาวิริยะความเชื่อที่อาศัยให้เกิดวิริยานั้นความเชื่อนั้นไม่ใช่อาการระติศรัทธาเร่งประเด็นที่สามคือทิฏฐิวิบัติหรือทิฏฐิสัมปทา ทิฏฐิวิบัติก็คือความวิบัติแห่งทิฏฐิเชื่อว่าโลกน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีคนที่จะพ้นทุกข์ไม่มีทางที่จะให้ผลไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่มีคือปฏิเสธในเรื่องของความมีกับความไม่มีปฏิเสธในเรื่องของเหตุคือกิริยาการกระทำ ปฏิเสธในเรื่องของผลที่จะได้รับจากการกระทานั้นลักษณะนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติทำไมถึงเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิบัติเพราะว่าก็ถ้าชาติหน้ามันไม่มีจริงๆสมมตินะถ้าชาติหน้าไม่มีจริงๆปัจจุบนันนี้ก็เราไม่ต้องไปพูดถึงชาติหน้าเออถ้าชาติหน้าไม่มีจริงๆก็เราไม่ต้องพูดถึงรุ่งนี้ ก็ถ้าคนบอกพุวกนี้ไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีจริงๆเลยนะไอ้ความที่ว่าจะมาต้องคุยว่าเอ้ยถ้าพุ่งนี้ฉันจะทําอะไรหรืออาทิตย์หน้าฉันจะทําอะไรเราไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าด้วยซติมฝังเราแค่ว่ารุ่งนี้กับบุรีนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ไอ้พวกนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างพ่งนี้คุณจะทําอะไรคุณจะไปไหนว่าไม่ต้องมาพูดหรอกพวกนี้มันไม่มีมันได้ต้องเถียงกันกับวินยูชน วิญญาณชนเขาก็เสติเตียนได้ว่าไอ้นี่ประสาทแล้วมปลเนี่ยนี่ก็ที่หนึ่งอะมีวาจาที่เป็นข่าศึกต่อคนดีๆทั้งหลายพูดคํานี้ออกไปก็เป็นมีชาวาใจาไม่คิดเรื่องที่มันถูกต้องก็เป็นมิชาสังกปายที่ตีนี่มันไม่ถูกอยู่แล้วจะมีเมื่อวานนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องมีเลเพราะว่าพรุ่งนี้กับเมื่อวานนี้ก็คือวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ของวันนี้คือวันพรุ่งนี้แล้วก็มรืนนี้จนมันจะไม่มีเออมันมีได้ถต่คิดไม่ถูกอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นมิจฉาสังขารก็เกิดขึ้นมิจฉาวาจาก็เกิดขึ้นความเป็นฆาสึกต่อพระอริยชา้าทั้งหลายก็เกิดขึ้นแล้วนะถ้าปวบาเราพยายามจะไปคนบินส์คนอื่นชักจูงคนอื่นให้เข้าใจผิดตามเราบีก็ทําให้เข้าใจผิด จากความเป็นจริงเป็นบาปกรรมอีกเวลาเราจะให้เขาเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องขายของเกินเหตุเป็นการยกตนข่มผู้อื่น mm hmm. ปัจจุบันก็ถูกตีเตนวินยูชนด้วยต่อให้มันจริงก็ตามพรุ่งนี้ชาติน้ามีจริงแต่ถ้าพรุ่งนี้ชาติน้ามีจริงจริงเลยนะโอ้ยสวยเลยพระอายอา้าเพราะเพราะว่าถ้าเราจะคิดแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันเนี้ยจิตเนี่ยมันจะน้อมไป ในทางที่จะราคาโศสะโมหะจะมิจฉาไงถ้าจิตน้อมไปในทางที่จะให้เกิดมิจฉาจิตมันก็เป็นจิตตวิบัติและศีลก็เป็นศีลละวิบัติละพูดออกมากระทําออกมาไม่ดีที่ติดวิบัติเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่ล็อกกันเอาไว้อีกชันด้วยระเบียบ ว, วิธีคิดแบบนี้พอระเบียบ ว, วิธีคิดที่ไม่ให้มันวิบัติศีลจิตมันก็ไม่วิบัติรักษาได้ ซึ่งระบบวิธีคิดตรงนี้ระบุไว้ในปัญญ า, าสูตรคือไม่ว่ามันเจาะมันจริงหรือไม่จริงก็ตามนะเราไม่มีทางปิดเลยตังแตังไม่ว่าชาติน่าจะมีจริงหรือชาติน่าจะไม่มีจริงๆก็ตามเมื่อว่าการการะทำอะไรมันจะให้ผลหรือมันจะไม่ให้ผลก็ตามให้ผลน้อยหรือให้ผลมากก็ตามถ้าบาัดนี้เรารักษาศีลได้มีเมตตา มีสัมมาสังกัปปะมีจิตที่น้อมไปนในทางสัมมายังไงมันไม่มีทางผิดไงจุดนี้ไงถ้าคุณทําความดีอยู่แล้วต่อให้เขาด่าเขาว่าว่าคุณทําไม่ดีแล้วมันยังไงมัน ก, มน ก, มนก็มันก็ดีนะ่ะเพราะว่านี่เปนสิ่งดีอยูกป่ะละ่ะไอ้ความดีที่เกิดขึ้นยังไงมันก็เป็นดีของมันนั่นคือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสองฝ่าย นั่นคือมีศีลสัมปทามีจิตสัมปทามีทิฏฐิสัมปทาการที่เรารักษาสัมปทาได้กำจัดความวิบัติออกไปได้การกระทาอย่างนี้ได้นั้นนั่นนะ่ะเกิดจากศรัทธาคือความมั่นใจที่มีอาการเรียกว่าอาการะวติศรัทธาเพระฉะนนในประเด็นที่สามนี้ต้องปฝา เอาเรื่องของวิบัติและสัมปดาสามอย่างมาเป็นตัววิเคราะห์ได้เป็นการโยนิโสมรสิการที่ให้เกิดปัญญาศรัทธาที่ผ่านการโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยเยบคลายให้เกิดปัญญาแล้วศรัทธานั้นน่นนะเรียกว่าอาการวติศรัทธาฝาเอาไว้ทุกฝังในึ่งผอกธรรมที่ชื่อ ว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยอาการที่ประกอบด้วยเหตุผลสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันนี้มีใครพูดเรื่องอะไรที่มันอาจจะมีสัดส่วนของเฟกของแฟกของจริงของเท็จของถูกหรือของผิดเราจะไม่มีปัญหาเลยต่อไปฟังไม่ว่ามันจะออกมาจริงเท็จตามนั้นถูกผิดตามนั้น แต่จิตใจเรามีสัมมาแล้วเนี่ยนะปิดก็ปิดก็แก้ไขได้ถูกก็ทุกก็ไม่ยกตนกลมผู้อื่นมีสัมมาทิฏฐิลักษณะที่ไม่ปิดนี่แหละตะบฟังจึงเป็นทางตรงจึงเป็นทางเอกไม่ใช่ทางอ้อมไม่ใช่สุดตรงสองทางอยากให้ตะบวัตฟังได้ฝึกคิดในระบบที่ประกอบด้วยเหตุผล เป็นการโยนโนิสัยมันสิการนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวทุกฝังเรื่องของอากาแรวติสตาแล้วอยากจะฝากไว้นอกจากการที่ทุกฝั่งได้ฟังที่ฟังธรรมแรงต่างแล้วเราก็พบปะเจอเจอกันก็หนึ่งชั่วโมงโดยประมาณแต่ว่าเราอยู่กับตัวเราเองอยู่บ้านโดยอยู่ที่ทํางานใดๆเนี่ยมันต้องอีกยี่สิบสามชั่วโมงนะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ใ น, นตุนฝั่งสามารถที่จะทําต่อ ปฏิบัติต่อเนื่องทำให้อยู่ในชีวิตประจาวันได้หรือไม่ข้าพเจ้าจึงมีกิจกรรมท้ายต่ำที่ท้ายดัมบฝังนั้นนั่งสมาธิทุกวันเป็นเวลาเจ็ดวันทำฝึกแล้วในข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์มี e p A N y ปัญญา .org mepanya .org ข้าไเจ้นนั้นแล้วลงทะเบียนเพื่อที่จะรับคำท้า ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างการใกล้ครวนทำโดยแยบคายปัญญาสมาธิต่างๆได้ในช่วงของได้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับตําหวงเป็นประจําในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายกองกรมประสาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆ รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไยบูย์อาภีปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริลปัน